ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในการประสูตรในวันนี้จะได้บรรยายในมหาศีรนาเทสูตรคือประสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลือหรือเปร่งาาศีรษะนาในท่รมกลางพุทธบริษัทที่มาประชุมกันเมื่อวันก่อนนั้นได้พูดถึงพระพุทธองค์ทรงสดแสดงว่า ทรงมีทศพุลยานคือวิญญาณที่เป็นกําลังของพระทศพลุลก็คือพระองค์เองนั้นสิประการก็หนึ่งก็ฐานาฐานญาณทรงรู้ว่าสิ่งอะไรเป็นฐานะและไม่เป็นฐานะคือเป็นไปได้และไม่เป็นไปได้เช่นว่าทําชั่วจะได้รับผลเป็นความสุขไม่ได้หรือทําดีจะได้รับผลเป็นความทุกข์ไม่ได้นั่นก็คือการรู้กฎของเหตุผลนั่นเอง วิปากยานก็รู้ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาเหล่านั้นว่าเป็นอย่างไรข้อที่สามก็คือสัพพะกามินีปฏิปทายาณคือประยาณที่รู้ข้อปฏิบัติทั้งปวงซึ่งทำให้คนเราแตกต่างกันในชั้นการดำรงชีวิตและการที่จะไปอุบัติบังเกิดในคติพบต่างๆโดยละเอียดพิสดาร พยานข้อนี้ก็จะเห็นว่าในญาติพิสดารก็ได้แก่การจําแนกเรื่องของกรรมจําแนกพื้นเพยตยาศัยของคนและสัตว์ทั้งหลายนั่นเองข้อที่สก็คือนานาธาตุญานได้ แ, แก่พยานที่รู้ถึงาธาตุทั้งปวงถึงหมายถึงโล ก, กาธาตุด้วยแล้วก็หมายถึงพวกสังขารทั้งหลายคือสรุปว่าทรงรู้แจ้งในเรื่องของโลกทั้งปวงนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นสัตวโลกคือหมูสัตว์สังขารโลกคือสังขารและโอกาสสโลกคือบรรดาจั ก, กรวาลทั้งหลายแต่ว่าที่นำมาแสดงจริงๆก็นำมาแสดงในส่วนที่ใกล้ตัวของบุคคลที่สุดซึ่งข้อนี้ได้เคยมีปัญหาเหมือนกันว่าทำไมเรื่องบางเรื่องพระพุทธเจ้าไม่ค่อยแสดงโดยทรงเชี่เห็นว่าเรื่องใดก็ตามที่ไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ ว่าทำไมจาเป็นจริงๆก็จะไม่แสดงในเรื่องเหล่านั้นเพรยจุดประสงค์ของการประดิษฐสถานพระพุทธศาสนาก็คือการทําประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนมากการสร้างความสุขแก่ชนมากและการอนุเคราะห์โลกสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลอานวยความสุขและเป็นการอนุเคราะห์แก่ชาวโลกจริงๆก็จะส่งแสดงในเรื่องเหล่านั้นส่วนเรื่องประยานก็เรื่องพยานไปบางอย่างก็บางคราวก็นํามาใช้บ่อยบางคราวก็ไม่ได้นาาํามาใช้ ไม่นํามาใช้บ่อยนักนะฮะไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงกับไม่นํามาใช้เลยแต่บางทีมันก็ใช้ผสมกลมกลืนกันไปคือเรื่องเดียวนั้นถ้าเราตัดตอนออกเป็นพยานมันก็ต้องมีทั้งหลายพยานด้วยกันข้อต่อไปก็คืออธิมุตติกยานซึ่งเป็นข้อที่ที่5อธิมุตติกยานนั้นก็คือรู้พื้นเพอัตยาศัยของคนและสัตว์ที่แตกต่างกันอย่างที่ทรงจําแนกว่าเป็นดอกบัวสีเหลาซึ่งทราบกันแพร่หลายแล้วดอกบัวสีเหล่านี้ต้องเอามาคิดอยู่บ่อย คือต้องนึกล่อยๆว่าเป็นการมองโลกในแง่ของความเป็นจริงโดยพื้นภัยติยาสายโดยความแปรผันโดยความแตกต่างกันของคนเรานั้นมันก็มีลักษณะเป็นดอกบัวสีเหลามาตลอดไม่วันอานยุใดสมัยใดกระตับการที่พระองค์ทรงรู้อธิมุตคือพื้นอัิยาสายของคนว่าคนนั้นจะต้องพูดกันอย่างนั้นจึงจะรู้เรื่องจึงมีวิธีฝึกอย่างที่ ท่านแสดงไว้ในบทอนุตโรปริศดามสารถิคือทรงเป็นสารถิที่ฝึกคนอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถิอื่นจะยิ่งไปกว่าก็เพราะทรงรู้อธิมุติเองแต่บางคนก็ใช้วิธียาบรุนแรงบางทีก็ใช้วิธีนิ่มนวล น, นะกเกินบางทีก็หยาบก่อนแล้วก็ละเอียดก็แล้วแต่แต่อย่างยกตัวอย่างเช่นพระวักกะลิซึ่งบวชมาคราวหนึ่งก็มานั่งมองพระพุทธเจา้า ไม่ทําอะไรคือดูความสง่างามของพระพุทธเจ้าอยู่เท่า น, นั้นเองไอตอ น, น, นแรกๆก็ปล่อยให้อินทรีท่านแก่กล้าไปก่อนพอถึงคราวแก่กล้าก็จริงๆก็รับสั่งไล่เลยไล่ให้ออกไปจากนั้นนี่ก็ใช้วิธีหยาบก่อนพอท่านเกิดน้อยใจเสี ย, ยใจว่าพ ร, ระพุทธเจ้าไม่ให้มองดูพระองค์แล้วขึ้นไปบนภูเขาคิ้จิกูดจะกระโดดภูเขาให้ตายท่านเนี่ย เพราะงนในวิธีที่จะฆ่าตัวตายประท้วงเนี่ยมันมีมาตั้งแต่นต้นนสมัยพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีอ่อนใช้วิธีอ่อนเป็นการให้กำลังใจแล้วในที่สุดท่านก็ได้ปีติจเจริญมิปัสสนาบรรุปมรรคไปได้นี่ก็เพราะอาศัยอธิมุตตแต่นั้นจะเห็นว่าพระธรรมเทศนานั้นแตกต่างกันอยู่ตลอดแตกต่างกันเรื่อยอย่างนานแล้วเคยเล่าให้ฟังป่ะ ตอนที่ประญาตในสากยาวงศ์ออกประหนดเนี่ยออกประหนดทีเดียวตั้งห้าร้ระพเจ้าให้กรรมฐานได้จริงกรรมฐานอารมณ์กรรมฐานก็มีอยู่สมถะก็มีอยู่40่สิบวิปัสสนาก็มีอยู่7จดบสอย่างที่ว่าแต่พอพระพุทธเจ้าให้นั้นทั้งห้าองค์นั้นกรรมฐานเหมือนกันแต่ตัวรายละเอียดจริงจริงเรียกอุปเทของกรรมฐานนั้นไม่เหมือนกันนี้เพราะอะไรเพราะอย่างรู้ถึงอธิมุติโดยท่องแท้ของท่านเหล่านั้น ว่าจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรด้วยวิธีการอย่างไรแม้จะไปสู่เป้าหมายอย่างเดียวกันก็ตามแต่ว่าจุดเริ่มต้นนั้นเนื่องจากพื่นอนัตยะเพื่อนเพื่นอนนธิมุตของท่านแตกต่างกันก็สงวงกรรฐานแตกต่างกันข้อที่6เรียกว่าอินสริยะปรโยริยัติยานคือความแก่อ่อนของอินรีอินรีนี้ก็เคยพูดมาบ่อยตรงนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าอินรี C. นั้นมันมีย2ข้อ แต่ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาตรวจสอบจริงๆก็นำมาห้าข้อประอีสามข้อข้างหลังเป็นเรื่องของคนระดับพระโสดาบันไปแล้วก็คือสถาวิรยาสติสมาธิปัญญานั่นเอง <c oughs> ปัญหาว่าถ้าพร้อมมันก็แสดงธรรมะได้เต็มที่เลยแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็รเรียกว่าบ่มอินซีหรือฟอกอินซีของบุคคลเป็นการเพิ่มปริมาณของอินรีแต่พูดถึงระบบการจัด ก, การศึกษาก็คือความพร้อมนั่นเอง เพอพร้อมที่จะรู้จะเรียนจะอ่านจะเขียนของบุคคลเหล่านั้นมันก็ต้องมีการฝึกปรือกันมาโดยลําดับมากกว่าไม่ใช่ว่านิ่งๆจะให้เขียนเลยจะให้อ่านเลยหรือจะให้ตอบเลยมันก็ฝึกปรือกันมาด้วยแต่คนประเภทที่เรียกว่าเป็นเนยยะคือพอจะแนะนําได้เป็นดอกบัวประเภทที่สามันก็ใช้เวลากันนานเป็นดอกบัวประเภทแรกนั่นก็คืออินทรีย์ก็แก่กล้าแล้วมันปลุกันไม่เท่าไหร่ปลุกไม่เท่าไหร่บรรลุแล้วอย่างภาษาริบุตรอย่างเงี้ยรายชิ เรากลา่าวคถาสองบรรทัดแต่เองท่านบรรลุโสดาแลแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนคงนานๆเจอสักคนพระราชิบอกว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าสัจเหต์แห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาสรรมัมเนธมีปกติตรัสอย่างนี้เท่านั้นเององค์นี้พิจารณาได้นัยยะกว้างขวางบรรลุเป็นโสดาเลยหรือว่าท่านพายาธารุจิริยะในพวกอินทรีแก่กล้าทรงอุ ป, ปมาเหมือนกับ ฝีที่กรัดหนองคือสมัยนั้นอุปมามุ่งฝีที่กรัดหนองก็ดูง่ายหน่อยคือแต่นิดเดียวก็หนองก็ออกก็รับสั่งว่าก็สั้นๆง่ายๆเนี่ยก็ดูก่อนภายยะเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้เมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้ต่อแต่นั้น เธอก็จะไม่ข้องไม่ติดอะไรอยู่ในโลกนี่เพราะอะไรคนเรามันก็มีปัญหาหที่ประสาทสัมผัสเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูทราบด้วยจมูกลิ้นกายก็รู้ด้วยใจคือถ้าไม่ใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้นกิเลสมันก็หยุดมันหยุดไม่เกิดการปฏิบัติเช่นนี้มันก็ในสุดก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือปั่นได้มันก็พูดกันสั้นๆเพราะอะไรเพราะตั้งอาทิมุตทั้งอินทรีย์ท่านแก่กล้าแล้วไม่มีปัญหาอะไร แล้วข้อที่เจก็คือชานาธิเลสังทิเกชานคือพระปรีชาญาณที่อย่างรู้ความมากน้อยของความส ง, งบนะฮะของพื้นสมาธิของคนบางคนบางคนก็พื้นสมาธิน้อยบางคนก็พื้นสมาธิมากบางคนบางทีฟังเทศคราวหนึ่งยังไมไ่ได้อะไรเลยเรียกฟังเทศเอาของวางบนพกนะพระเจ้าเขายกตัวอย่างง่ายๆบอกฟังเทศบางอย่างเหมือนของวางบนบนบนตัก ของวางบนตักพอลุกขึ้นก็หล่นหมดลุกขึ้นก็หล่นหมดพอดีบางคนก็เหมือนกับของวางไว้ที่ชายพกมันก็หลุดยากหน่อยบางคนเหมือนกับของอยู่ในกระเป๋าก็เรียบร้อยนะฮะก็แล้วแต่นี่มันก็อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่อธิมุตดอยู่ที่อินทรีย์อยู่ที่พื้นฐานคือความสงบที่มัอยู่ภายในใจของคนเราซึ่งแตกต่างกันเพราะในการวางธรรมะจึงกลายเป็นหลากหลายไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะสามอันนี้มันต่างกันหมดเลยมันไม่มีใครเหมือนกันด้วยประการทัางตัว แม้แต่พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานายอดสาวกนะฮะเวลาเทศจริงๆหรวงพ่อเจ้าก็แยกเทศเทศกันคนละเรื่องพระโมคคัลลานะก็ไปอีกเรื่องหนึ่งพระสารีบุตรก็ไปอีกเรื่องหนึ่งพระสารีบุตรนั้นเทศเกี่ยวกับเรื่องเวทนาพระโมคคัลลานะก็เกี่ยวกับการถ่ายถอนมานะเกี่ยวกับวิธีแก้งูนพูกกันคนละเรื่องต่างๆที่ว่ามาฟังเทศด้วยกันมาด้วยการมาฟ้าวกันทั้งสององค์แต่เบิกเทศก็แตกต่างกัน เพราะพื้นจริงๆไม่เหมือนกันแล้วข้อต่อไปก็ได้แก่พระยานสามนะฮะทีนี้ก็คือพระยานสามนั่นเองพระยานสามยันแรกก็คือปุเพนิวาสารนติยานปีพระยานที่ทำให้พระองค์ลึกชาติก่อนๆของพระองค์ได้จากชาติหนึ่งไปเรื่อยไปนะฮะจากชาติที่ใกล้ที่สุดคือชาติที่ใกล้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ย้อนไปได้โดยลาดับจนไม่มีที่สิ้นสุดยานข้อที่สก็คือจุตุ ก็ม่ใช่ข้อที่สามในมาตรงนี้มันข้อที่8นะฮะแต่ข้อที่9ก็คือจุตูปปาติยานารู้จรู้จักการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายซึงแตกต่างกันว่าเป็นเพราะเหตุอะไรในกรณีนี้ถ้าหากว่าจะดูการจุติอุบัติเนี่ยเขาก็เรียกว่าจุตูปปาติยานแต่ถ้าหากว่าไปดูกรรมก็เรียกว่าทิปจักษุญาณกัแล้วแต่แต่ว่าที่ที่จริงตัวพระยานนั้นตัวเดียวกัน บางคราวให้ลองสังเกตว่าถ้าที่ใดมีทิฏฐิปจัจจสุพระยานตรงนี้จะไม่มีนะฮะพระญานจตูปปาตาญจะไม่มีพระพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่พูดกันคนลักษณะของการใช้เมื่ใช้ดูสัตว์ตวโลกก็เรียกว่าทิฏฐิปจัจจสุไปแต่ถ้าดูการจุติการอุบัติความแตกต่างของกรรมก็เรียกว่าจุตูปปาติญแล้วก็อาสวะขยานหรือพระญานที่ทําอาสวะให้สิ้นไป อาสวะในที่นี้หมายถึงกิเลสทั้งปวงนะฮะจะเรียกชื่ อ, อยังไงไม่สําคัญหรอกเพราะถ้าเราไปดูธรรมะที่ปรารบการบรรลุ ก, กิเลสเนี่ยบางทีพูดทาลายวิชาบางทีว่าตัดตัณหาบางทีว่าหมดอาสวะบางทีก็ถอนอุปาทานก็นแล้วแต่ก็แล้วแต่จะเรียกที่จริงกิเลสนะมันไม่มีอะไรนะ ม, นมีโรคมืโรคปวดหลงตระหน่นง โรคหลุดหลงก็แสดงถึงอาการของกิเลสโลรคหลุดหลงถ้าหมักผ ม, มก็เรียกว่าอาสวะถ้าผูกมัดรัดใจคนก็เรียกว่าการทะบ้างเรียกว่าโยคะบ้างถ้าสงบอยู่ภายในก็เรียกว่าอนุสัยถ้าหากว่าออกมาข้างนอกออไม่ใช่คือกรุ่มรุมใจก็เรียกว่านิวรณ์ก็แล้วแต่ที่จริงก็คือกิเลสโลคหลุดหลงเองเพราะงั้นการพูดถึงพยานข้อไหนก็ตามแต่พูดถึงว่าตัดแล้วก็คือตัดทั้งหมดตัดทั้งหมด ทีนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นได้อย่างเด่นชัดถึงต้สนสุภลยานทั้ง10ประการเนี่ยว่าประยานข้อ1 2, นึสองสนะฮะข้อข้อหก็คือเรื่องของข้อ1ข้อ2องคือเรื่องของเหตุผลเป็นการรู้เหตุผลทุกอย่างโดยถ่องแท้ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วโลกเรามันคือเรื่องเรื่องของเหตุกับผลด้านนั้นเองประยานข้อที่สกับที่ส อยันก็ที่3เป็นรู้เป็นการรู้หลักของการปฏิบัติว่าทําอย่างนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างนี้ยนัน้อที่4ก็เป็นการรู้สับประสิ่งถือกฎธรรมชาติทั้งหมดกฎธรรมชาติทั้งหมดก็ที่5ที่6ที่7เป็นการรู้พื้นจิตของคนรู้เรื่องจิตใจของคนอื่นนะเกี่ยวกับคนอื่นนะเนี่ยหกหาหกเจ็ดเกียรคนอื่น8 เป็นเรื่องของพระองค์และคนอื่นในอดีตเป็นเรื่องชีวิตในอดีตเป็นการรู้เรื่องของอดีตแล้วก็ก้อ9นั้นรู้เรื่องของพระองค์กับคนอื่นแต่ว่ารู้ตัวเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแตกต่างกันแล้วข้อที่10ก็คือรู้ตัวรากง่าวทั้งหมดนะฮะรากง้าวทั้งหมดของของโลกได้แก่พวกกิเลสทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัติจะต้องละไป ตัวการอภิญญาข้อที่แปกับ9เนี่ยฮะเป็นการยืนยันให้เห็นถึงสังสารวัตรข้อแปดก็คือยืนยันสังสารวัตรว่าคนเราถ้ายังมีกิเลสคือยังไม่บรรลุอาสวรขยานข้อที่10เนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรก็ต้องมีข้อที่9ก็คือเรื่องกฎของกรรมที่ทําให้จําแนกแบ่งแยกคนเราให้แตกต่างกันและในที่สุดพระองค์ก็ทรงเขาเรียกว่าบรรลือเสียงนาฏฮะ หประกาศในลักษณะท้าทายเลยว่พาพระองค์เองนั้นไม่หวนไหวอะไรหรคำท้วงจริงคำค่อนขอดอะไรต่ออะไรของใครหรือจะกล่าวหาใส่ร้ายอะไรก็ตามเพราะว่าพระองค์ทรงประกอบอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นโจกเป็นโจกเมื่อก่อนคำดีนะฮะโจกนั้นก็คือคนเป็นประมุขเป็นหัวหน้าเป็นประธานแต่ไม่แน่บางทีทรงใช้คาว่าพี่ใหญ่คยเป็นโลกเชิ โลกเชษฐ์ก็คือพี่ใหญ่ของชาวโลกพระพุทธเจ้าไม่ได้อ้างตัวเองเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าอะไรนะก็คือเป็นเป็นเป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะแต่ว่าพระองค์เป็นพี่ใหญ่ก็สมมุติว่าสัตว์โลกเรานั้นอยู่ในเปลือกคุ้มของอวิชชามันเหมือนกับลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่ใครทําลายกระเปาะฟองมาก่อนตัวนั้นก็เป็นพี่พระพุทธเจ้าเองนั้นทําลายวิชามาได้ก่อนก็อยู่ในฐานะเป็นพี่เราเรียกว่าโลกเชษฐ์ คือเป็นพี่ของชาวโลกก็มองในรูปของความเป็นพี่เป็นน้องกันและสามารถที่จะยืนยันอะไรก็ตามที่พระองค์แสดงเพราะพระองค์ประกอบด้วยเวสาลัชยานเวสาลัชยานก็คือปริญญาณ น, นะปริญญาณที่ทาให้พระองค์เกิดความกล้าหาญไม่รั่นครั่งมขมเกรงต่ออะไรก็ตามนะฮะเรียกว่าไม่หวาดหวั่นทั้งหมด ไม่ว่าอะไรเวสารัชยา น, นั้นก็มีสประการนะฮะแต่ก็สกันสกันทั้งนั้นคือข้อที่หนึ่งพระองค์ปฏิยานฐานะว่าเป็นอรหันต์ตรสมมาสัมพุท ธ, ธะถ้าหากว่าธรรมะที่คนระดับพระอรหันต์ตรสมมาสัมพุท ธ, ธะไม่รู้พระองค์ก็จะไม่ปฏิญานว่าพระองค์เป็นอรหันต์ตรสมมาสัมพุท ธ, ธะก้อนนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าพระสูตรก็เกื้อกูลกัน ก็เราย้อนกลับไปดูที่ธรรมาจักรกับประวัฒนาสูตรทึ่เป็นพระสูตรแรกมันก็พูดในธรรมนองนี้แต่ว่าก็พูดคนละแนวอันนั้นทรงแสดงตัวเหตุจริงๆแต่ที่พูดถึงผลรับสั่งว่าถ้าหากาพระพรัญสมที่เกิดขึ้นในอริยสัจสี่มีวนสามคือสามครั้งนะฮะหมายความว่ารู้ความจริงของอริยสัจว่าอะไรเป็นอะไรรู้กิจที่ควรทาในอริยสัจ ร, รู้ว่าได้กระทแล้ว ของพระองค์ไม่บริสุทธิ์หมดจดเพียงใดพระองค์จะไม่ปฏิญาณว่าเป็นนารหัณตสัมมาสัพพุทธะคือสัจสรุดีสัจรู้ชอบในหมู่เทวดามนุษย์ทั้งหลายเพียงนั้นแต่ว่าเพราะพระยาณสามซึ่งเกิดขึ้นในอริยสัจสีมีวนสามีรอบ12ของพระองค์บริสุทธิ์หมดจดพระองค์จึงได้ปฏิญาณฐานะอย่างนั้นในข้อนี้เราถือเป็นตัวหลักฮะ เป็นตัวหลักสั ญ, ญลักษณ์ในพระพุทธศาสนาในยุคก่อนจริงๆก็คือรูปเสมาธรรมจักท่านท่านท่านหลายจะเห็นว่ามันก็อักกันตรงนี้แหละอักกันตรงพระพุทธดธรรมระที่ทรงแสดงในธรมธรมจักรธรรมจักรแกจะมี8ซี่ถ้า8ดซี่ก็หมายถึงเสมาธรรมจักหมายถึงอะเรมาส์มีองค์แถ้ามี12ซี่ก็หมายถึงพระญาณสที่เกิดขึ้นในอะเรสัร 4. ส4ี่สี่ก็เป็น12บสอแต่ถ้าท่านไปดูที่ปก แผนทำลายพระพุทธศาสนานั้นยุคพระเจ้าอโศกนะฮะเป็นเสมาธรรมจักรยุคพระเจ้าอโศกของโบราณมากที่จริงมันก็มีซีกเดียวซีกดำๆนะฮะซีกขาวนั่นเป็นเสื่องที่ต่อกันที่หลังมันคุดพ บ, พ บ, พบที่นครปฐมเนีนนะ่ยก็นั่นเป็น37มสิบเจ็ดซีท่าลองไปนับดูครมี37มสิบซีหมายถึงอะไรหมายถึงโพธิปคียธรรม37ประการก็คือการสัตย์รู้นั่นเองกัสรุปแล้ว พระองค์จึงกล้าปฏิญาณว่าเป็นอรหันตสมมาสัมพุทธะ้อนี้พระเจ้าประเสนในโกศลไม้เคยกราบทูลถามพระเจ้าประเสนในโกศลกับพระพุทธเจ้านายุคราวกันฮะก็รู้สึกจะเป็นพระเจ้หายกันโด้วยซ้ำไปเพราะว่าเมืองก็ไม่ไกลกันพระเจ้าประเสนในโกศลถามว่าพระสัมมาณโคนมปฏิญาณว่าเป็นอรหันตสมาสัมพุทธะกับเขาด้วยหรือถามว่าปฏิญาณว่าเป็นอรหันต์กับเขาด้วยหรือ คือแสดจจงมาปฏิญาณกันแย่ในสมัยนั้นนะพระเจ้าก็ทรงแสดงให้ฟังด้วยเหตุโดยผลพระเจ้าประเสริฐในกศลก็ปรับทูลว่าก็คนอื่นเห็นเข า, าก็แก่ๆสมณะโคดมยังหนุ่มยังไปปฏิญาณได้ไงพระพเจ้าก็รับสั่งว่าสิ่งที่ไม่ควรดูหมิ่นในสประการคือไฟเนี่ยดูห yeah. มิ่นว่ากองน้อยนอย่ยาพิษเนี่ยงูพิษเนี่ย yeah. ดูหมิ่นว่าตัวมันเล็กนะฮะกษัตริย์อย่าดูหมิ่นว่าทรงพระเยาว ภิกษุจะดูหมิ่นว่าอายุอย่างน้อยเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นพระอาหารหันต์ก็ได้อย่างเคยเล่าให้ฟังเอาไม่ใช่เล่าให้ฟังเทศจตอยู่ในบทหรอกเลยาไปละกุณตกะพัทธิยะนะครับตัวเล็กกระจิตตัวเตี้ยนนิดเดียวไปเดินผ่านแล้วก็พระก็จับหัวเนรก็ลูปหัวล้อเล่นเนะนื่องว่าเนรเนเด็กๆที่จริงเป็นพระอาหารหันต์เพราะว่าเจ้าเห็นว่าชักจะไม่ได้เรื่องแล้วประเดี๋ยวไปลูปหั ว, หวพระอาหารหันต์จะเป็นบาปเป็นกรรมกันใหญ่ก็เลยตั้งประชุมสงฆ์มาบอกให้ทราบ บว่าทราบมาเป็นพระมหาเทระอรหันต์ตัวเล็กๆนิ่เดียววันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรดูหมิ่นข้อต่อไปก็ทรงปฏิญาณว่าเป็นขีณาศพนะฮะขีณาศพก็ไม่ใช่อะไรนะคือมีอาสวะที่หมดแล้วขีณาสวะก็คือมีอาสวะที่หมดสิ้นไปแล้วอาสวะส่วนมากเราจะนับสามนะฮะจะนับสามคือกามาสวะภวาสวะบิชาสวะ กรรมสวะอสวก็คือการมได้แก่กิเลสสายโลภะกิเลสประเภทดึงทั้งหลายนะประวาติสวะก็คืออสวะคือพบก็คือความมีความเป็นมีอัตตามีมานะมีอะไรต่ไรนี่ฮะพวกกลุ่มเนี่ยแล้วก็วิชาสวะก็คือโคตรของกิเลสพระพุทธเจากก้าก็ละได้แล้วแต่บางทีไม่แน่คือคือคือการไปพบองค์ธรรมเหล่านี้บางทีมันมีทิฏฐาสวะอยู่ด้วยนะฮะ คือไอชุดชุดหนึ่งที่ธรรมะก็จัดเป็นสีุ่๊พวกกิเลสก็จัดเป็นสีนี่เรียกชื่อยะเรียกชื่อกันทะก็มีเรียกชื่อโอคะก็มีเรียกชื่อโยคะก็มีเรียกอาสวะก็มีนั้นจะมีสี่ข้อคือเพิ่มทิฐิเข้าไปแต่ก็สรุปแล้วก็คือกิเลสอย่างที่ว่ามาแล้วจะไปติดในศาสไปมากเดี๋ยวจะรู้สึกมันเรื่องยากไปก็ก็คือโลภโกรหลงแะไรกันง่ายๆเนี่ยถ้าอาสวะของพระองค์ไม่สิ้นนะครพระองค์ก็ไม่ปฏิญาณว่าเป็นอรันตสมมาสมุทธะ แต่อาสวะสิ้นหรือไม่สิน้นก็ดูกันยากมันก็ดูกันยากเพราะเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของจิตใจแต่เก็มีคนในสมัยนั้นก็พิสูจน์พระพุทธเจ้ากันแย่พิสูจน์พระพุทธเจ้ากันแยะโดยขนาดว่าด้วยคําด่าว่าบ้างโดยรายต่อายบ้างสารพัดพระอรหันต์ทั้งหลายก็โดนพิสูจน์กันว่ามีกิเลสหรือเปล่าหรือโกรธหรือเปล่าอะไรเนี่ยปรากฏว่าไม่มีอาสวะเหล่านั้นเป็นการพิสูจน์ได้จริงๆ ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือการพิสูจน์หอดนี้พวกอาสวะเนี่ยฮะพวกหมดอาสวะมันก็คือพระพุทธคุณบทว่าอารหังนั่นเองคือท่านตั้งหลายจะเห็นว่ามันมั น, ม, น, ม, นมันมีเอกภาพอยู่นะฮะมีเอกภาพหรือว่ากลับเข้ามาหาที่เดิมได้หมดจะออกไปยังไงก็ตามก็กลับได้แก่คําว่าอารหังคือหักกรรมแห่งสังสารจักรเป็นผู้ไกลจากกิเลสก็คือไม่มีกิเลสอยูภายในจิตใจ แต่เวลาเรียกชื่อก็เรียกชื่อได้ทั้งพระอระหันต์แล้วก็พระขีณาสพบางทีก็เรียกพวกไปเลยอรหรันต์ขีณาสพคือหกอากเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารจาจจนละกิเลสได้หมดสิน้นถ้าพระองค์ไม่มียังมีกิเลสอยู่ก็ไม่ปฏิญาณนะฮะเพราะว่ากันที่จริงในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเองคือพวกที่บรรลุฌานนะบรรลุฌานมันกิเลสสงบอย่างที่เคยพูดอยู่เรื่องเรื่ององค์ฌานเนะี่ยองค์ฌานพอ พอท่านผู้ปฏิบัติบรรลุแล้วกิเลสมันสงบหมดอ่ะท่านก็ปฏิญาณเป็นพระอรหันต์เกินบ้านเกินเมืองเหมือนกันในในสมัยก่อนพุทธกาลนะแต่พระพุทธเจ้าตอนที่บำเพ็ญอยู่ในสำนักอุทกกระดาวบทน่ยมันจบสูตรเลยสมัยนั้นมันสุดยอดแล้วเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วสําหรับสมัยนั้นมันก็แค่นั้นน่ยแค่เนวสัญญานะสัญญาจตนาพทะเจ้าก็ไปถึงตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็ร่วมันไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ปฏิญาณ จนมาบำเพ็ญเพียรแล้วก็ในที่สุดก็บรรลุนี่ก็พูดถึงฐานะของพระองค์ท่านอย่าลืมนะว่าไอสุนัขคะตาลิเซวีไปไปสวดประมาทไว้ที่กรุงไัยษาลีนะมันเรื่องนี้มันเกี่ยวเนื่องกันน ะ, ะข้อที่สก็คือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่พระองค์ทรงสแสดงว่าเป็นอันตรายต่หากว่าไม่เป็นอันตรายจริงไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติประพฤติได้จริงแล้วพระองค์ก็ไม่ปฏิญาณ ไม่ได้แสดงสิ่งนั้นเพราะฉะั้นเราก็พิสูจน์บรรดาอากุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยอกุศลธรรมทั้งหลายที่บอกก็เป็นอันตรายตัวอย่างง่ายๆเช่นพวกนิวรนที่ทรงยกว่านิวรนนั้นกามาฉันก็เหมือนกับกการเป็นหนี้คนอื่นพยาบาทก็เหมือนกับโรคเกิดในกายธีนมิธะก็เหมือนกับตกเป็นทาสของคนอื่นอุตจักรุจจะพุ่งสั้นก็เหมือนกับติดคุกนฮะวิจิกิชาก็เหมือนทางสองแพ่ง ทางพี่ธุระกันดาลมันก็มองเห็นนะฮะมันก็มองเห็นมันก็เป็นอย่างนั้นหรือพวกอบายามุกพวกอะไรพวกทางเสื่อมทั้งหลายนะฮะพวกทางเสื่อมทั้งหลายอันนี้พระองค์ทรงสแสดงว่าเป็นอันตรายเป็นข้อคือคือสรุปข้อทีท่ทรงสอนว่าให้เว้นนะฮะข้อทั้งหมดที่สอนว่าให้เว้นอย่าประพฤตนะิแล้วถ้าคืนใครประพฤติแล้วจะไม่มีโทษตามที่ทรงสแสดงไว้แล้วจะว่าอะไรก็ได้ซึ่งก็พิสูจน์ตัวเองมาได้ทั้งหมดไม่ว่าอะไร ก็ตัวนี้มันมันคำสอนเมื่อกล่าวโดยสรุปพึงสังเกตนะฮะพอพอเรามาสรุปจริงๆมันจะมีปานะกับภาวนาปนานะก็คือข้อที่ทรงแสดงว่าเป็นอันตรายแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นอันตรายแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติก็สอนให้ละคืออย่าประพฤติปฏิบัติเพราะถ้าคืนประพฤติปฏิบัติแล้วจะมีโทษแก่ผู้นั้นแล้ข้อที่4ก็คือทำอันใดที่ทรงแสดงว่าจะมีผลเกื้อกูลไปโดยลําดับเนี่ย สิ่งเหล่านั้นไม่มีผลมีอานิสงส์จริงๆปรุงก็ไม่ปฏิญาณนี่เราก็ดูได้ทั้งหมดนะฮะดูได้ทั้งหมดยกภาษิตมาสักข้อนึงก็ดูได้แนละ้ว โ, โกเทนะชินเนกโอทางอาศังสงสารธุนาชิเนเอเนี่ยพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความชั่วด้วยความดีชนะความสนีทด้วยการให้ใหชนะรอแหลดด้วยคําสัตย์คําจริงอะไรเนี่ยหรือว่าปฏิจะต้องใช้ในที่ทั้งปวงเมตตาเป็นธรรมคาจุนโลก ความกตัญญูกตวเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีอะไรเนี่ยมัน ก, ก, ก็ก็ดูกันได้ตลอดนี้ก็เรียกว่าเวสารัชยาญคือพระยานที่ทําให้พระองค์มีความกล้าหาญไม่ครั่งคลามสามารถปฏิญาณในถ้ำกลางพุทธบริษัทหรือบริษัทอะไรก็ตามหรือใครก็ตามและเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าคนในสมัยพุทธกาลเองเวลามา จะโต้แย้งพระพุทธเจ้าไม่โต้แย้งเรื่องของธรรมะเท่าไหรหรอกคือไม่กล้าไปเถียงไปหักล้างเรื่องธรรมะนอกจากว่าหลงผิดเข้าใจผิดเข้าใจในเขาเรียกว่าอัฏฐะอย่าลืมที่เราสวดธรรมชาตนะิศาสตร์ถังสัพยัญจะนางเกวลละปริพุนานางเนะี่ยคือทรงประกาศพระมจรจันตร์รปสุทิดริสุบุญสิ้นเชิงสมบูรณ์ในอัฏฐและพยัญชนะคืออัฏฐะได้แค่นเนื้อความของธรรมะคือบางทีท่านไม่เข้าใจความหมาย ไม่เข้าใจความหมายแล้วก็ท่านก็มาถกเฉียงเช่นเคยเล่าเรื่องอะไรสัจจะนิครณ น, นะฮะสัจจะนิครณที่พูดเรื่องอัตตากับอนัตตาแก้ค้านว่าพระพุทธเจ้าเข้าใจผิดที่แสดงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตานั้นแต่จริงมันก็เป็นอัตตาก็แสดงว่าท่านเข้าใจความหมายของคำว่าอัตตากับอนัตตานั้นไม่ถูกพอพระพุทธเจ้ามาใช้หลักการถามให้ตอบถามให้ตอบถามให้ตอ บ, ตอบท่านก็จดและในที่สุดท่านก็รับเองเอ๋อถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นอนัตตา ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดที่กล้ามาโต้แยงพระธรรมเทศนาเนี่ยเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดของของของบุคคลเ่านั้นเองเออก็จะหาเรื่องอื่นนะคนเราบางทีมันก็ไม่มีอะไรนะฮะคือเกิดขึ้นด้วยความด้วยโมหะกติบ้างโดยโทสะกติส่วนมากพวกนี้แล้วมันก็เพี้ยนเยอะฮะในโทสะกติกับโมหะกติแนละ้วก็ทําอะไรเพี้ยนเพียนก็พูดคัดค้านอะไรก็ไปอนอกเรื่องนอกราวนะฮะ เรื่องๆๆเราก็นอกประเด็นไปบางทีจะว่าจะโจมตีคนนั้นเป็นคนเลวอะไรตัวไรเนี่ยคือไม่รู้จะว่าอะไรมันไม่รู้จะเลวตรงไหนก็ว่าเออเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรอ่ะตัวดาไปอ้วนไปผอมไปตาเขไปจมูกโตไปก็หาเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยบนตัวต้พูดไปว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับเรื่องความดีความชั่วที่กําลังจะพูดถึงเนี่ย นี่ก็คนคนคนที่โจมตีที่ด่าว่าคนก็มีลักษณะอย่างนั้นพูดไปพูดมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปยืนยันได้เกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปยืนยันเอาไว้และในที่สุดก็มาสรุปตอนนี้นะฮะว่าการที่สุนัขตะลิเฉวีไปกล่าวตูพระองค์ในลักษณะนั้นคือกล่าวตูว่าอย่างไงนะฮะกล่าวตูว่าพระพุทธเจ้านั้นเข้าถึงเฉพาะมนุษยธรรมเท่านั้นมนุษยธรรมนะไม่ใช่อุตริมนุษยธรรม มโนรธรรมก็คือกุศลกําบดสี่แล้วก็ทําที่พระองค์ทรงสอนนั้นที่จริงมันก็เกิดมาจากความคิดไม่ใช่การตัดสู้เกิดมาจากความคิดแต่แกไม่ถึงว่าปฏิเสธหรืไม่ตัดสูส้หรอกฮะแกบอกมันเกิดมาจากความตรึกนึกเอาคาดหมายเอานึกดาวเอาอะไรเนี่ยแต่ว่าทําอะไรที่พระองค์ทรงแสดงว่ายังไงจะมีผลอย่างนั้นจริงๆไอ้ข้อข้อข้อที่3แกนึกว่าแกด่าแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้ด่าก็เป็นการยอมรับ ดังนันพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงมาโดยลำดับมาถึงจุดนี้ต่อจากนั้นจึงแสดงเรื่องโลกทีนี้มานก็ข้าวเรื่องโลกโลกก็ประกอบด้วยอาหารทั้ง4อาหารแปลว่าสิ่งที่นําผลมาท่านจะเห็นว่าในแง่ของพระพุทธศาสนาอาหารนั้นไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปอย่างเดียวแต่ว่าอาหารหมายถึงอะไรกบาลินการาอาหารอาหารที่เราดื่มเข้าไปทางปากนะ การลิงการอาหารอาหารที่เราดื่มเข้าไปทางปากมันก็นําผลมาก็แล้วแต่ลักษณะของอาหารแต่ก็นําผลมานะฮะคว่าอาหารจึงกลายเป็นคํากลางๆคือผลจะเป็นอะไรก็ได้ยาพิษมันก็เป็นอาหารมันก็นําผลมาเหมือนกันอาหารแปลว่าสิ่งที่นํามานําผลมาแล้วก็ผัสสอาหารอาหารคือผัสสะได้แก่การกระทบนะฮะได้แก่การกระทบต่างๆการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันก็เป็นอาหารคือนําผลมาเช่นว่านอนมันก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งฮะ ก็นํานผลมาอย่างห น, น, นึ่งนั่งยืนเดินอะไรอะไรมันก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นอาหารทั้งนั้นแหละแล้วก็มโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาคือความตรึกนึกความจงใจความตั้งใจต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลแต่ละคนมันก็นําผลมาคือมันก็เป็นอาหารก็ขึ้นอยู่กับเราคิดนะฮะเราคิดว่าเราเราตั้งใจเรื่องอะไรเราคิดอย่างไรคือบางทีอาจจะดีก็ได้จะไม่ดีก็ได้ก็แล้วแต่ เกิดอยู่กับเรื่องที่เรานำมาคิดแต่มันก็เป็นอาหารแล้วก็วิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณนะครับวิญญาณก็ได้แก่อะไรในในที่นี้ก็หมายถึงตาอาหารตาหารหูนั่นเองอะหานตาหารหูอาหารจมูกหารลิ้นอาหารกายอาหารใจฮะอาหารใจบางทีบางคนเกิดปีติอย่างคนจะบวชเนี่ยวันบวชมันก็หิวข้าวละฮะมันบวชนไม่ต้องหิวมันปีติแต่คนอยากบวชนะคนต้องการจะบวชนะ คนไม่ต้องการจะบวชมันก็หิวมาตั้งแต่นู้นอ่ะมันก็อยากบวชประบวชเสร็จมันต้องนับวันวันศึ ก, ก็จึงหิวใหญ่เลก็ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าใครแต่ที่จริงมันก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งนะฮะเป็นอาหารอย่างหนึ่งคือนํามาทา้งด้านบกแล้วก็ด้านลบนี้ก็คือโลกก็ประกอบด้วยอาหารวิธีแสดงก็ขึ้นอยู่กับวิธีท่านที่อ่านพระสูตรอาจจะเคยพบนะฮะว่าบางทีพระพุทธเจ้าแสดงปฏิจจสมวัตถทตรงตั้งตรงนี้ฮะแล้วก็ลากเข้าไปที่เวทนา นะอาหารอาหารมันก็กลายเป็นผัสสะผัสสะก็เวทนาเวทนาก็เป็นตระหาตระหนัก็เป็นอุปาทานมันก็ออกไปมาออกตรงนี้มาตั้งหัวที่ตรงอาหารเนี่ยก็มีวิธีก็ขึ้นอยู่กับวิธีแสดงคือขึ้นอยู่กับคนฟังนะฮะวิธีแสดงมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามคนฟังหลังจากนั้นทรงแสดงพระยานของพระองค์ที่รู้คติห้านะฮะคติหก็ได้แก่ไรนรกก็เปรตนะดิเรกสาร แล้วก็มนุษย์เทวดาเทวดาก็หมายถึงหมายั้งหมดถึงพรหมเลยทรงแสดงอะไรทรงแสดงทรงรับสังว่าทรงรู้ไอ้ไอภ้ภาวะภาวะของคติเหล่านั้นโดยท่องแทรู้ภาวะคติเหล่านั้นโดยท่องแท้นี่ก็คืออะไรก็คือรู้ถึงฐานะแหละฐานะก็อาศัยพระยานตั้งต้นนะแล้วก็ทรงรู้ถึงข้อปฏิบัติ ที่จะทำให้บุคคลบางเกิดในคตินั้นๆบางเกิดในคตินั้นๆว่าคนทำอย่างนั้นจะเกิดในคตินั้นคนทาอย่างนั้นจะเกิดในคตินั้นคติก็คือสถานที่เราจะไปนะฮะคติคือสถานที่ที่เราจะไปแล้วก็เรียกว่าครบก็คือสถานที่ที่มันอยู่แต่พูดพูดในที่นี้พูดถึงคติที่จะไปได้แก่ปฏิสนธิวิญญาณที่จะไปถือกำเนิดในคติเหล่านั้น แล้วก็รู้ถึงความสุขความทุกข์ที่คนเหล่านั้นจะได้รับในคติเหล่านั้นและรับเพราะเหตุเพราะผลอะไรเพราะกรรมอะไรทำไมจึงต้องรับอย่างนั้นทำไมจึงต้องสเสวยเช่นนั้นนี่ก็ที่ทรงแสดงในโลกอื่นหรือคือสัตว์ในโลกอื่นนี่ก็ทรงแสดงไว้ในเลยส่วนมากแล้วในวิมานวัตถุกระเพราตวัตถุนะฮะพิมานวัตถุกระเปราตวัตถุกำมังแปลออกมาตอนนี้ก็ ตัวตัวบาลีส่งข่าวลงพิมแล้วแต่ว่าตัวเรื่องกำลังแปลอยู่จะให้ออกมาเพื่อดูหลักที่เป็นพระพุทธวัจนะที่รับสั่งเล่าแต่ว่าการเล่าอยันที่มาเคยเล่าให้ฟังในมหากมัยฟังก็สูตรว่าไม่ได้พูดกับคนทั่วไปพูดกับคนระดับที่มีญาณที่ได้พบเห็นมาผู้กเทศวดาเองผู้กับพรหมหรือผู้กษัตริย์นรกสัตวนรกนี่ไม่เจอนะยังไม่เคยเจอกือผู้กับเปรตเองผู้กับเปรตเอง แล้วก็จะพูดถึงไอ้ความสุขความทุกข์ที่คนเหล่านั้นกำลังปฏิบัติได้กำลังประสบอยู่ในในพวกนั้นๆพอมาถึงต่อจากนั้นก็ทรงแสดงถึงเป็นการอุปมาเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้เห็นถึงรูปลักษณะของชีวิตจึงว่าที่จริงเราก็ไม่เห็นนังเยอะนะฮะนอกจากดีรัชานนอกจากดีราชานเราเห็นมนุษย์เราเห็น ทรงแสดงอุปมาให้เห็นว่าบรรดาผู้อบายที่ใช้คําว่านารกเนี่ยมันก็หมายถึงอบายสี่นะฮะมันหมายถึงอบายสามข้อคือคื อ, คอนรกเปรตอสุรกายก็หมายถึงสามอย่างนั้นทรงแสดงว่ามันเหมือนกับอะไรฮะมันเหมือนกับหลุมฐานเพลิงอนึกภาพออกนึกภาพของหลุมฐานเพลิงว่าคนตกลงไปในในหลุมฐานเพลิงเนี่ยมลักษณะมันจะเป็นยังไง ตรงนี้มันก็เคยมีปัญหาที่ตกเถียงกันตกเถียงกันคือคือรายละเอียดเนี่ยส่วนมากเขาไม่เคยไปถามพระพุทธเจ้าอย่างที่อามาเคยบอกอยู่เสมอว่าคือคนที่ไปถามนั้นเป็นคนที่รู้อะไรมาตั้งเยอะแล้วนะฮะแล้วก็ไปถามข้อข้องใจนิดๆรายละเอียดจริงไม่มีมีพระย า, ยามิลินเคยถามพระพุทธเจ้าพระนาคเษนว่าสัตว์นรกมันอยู่ได้ยังไง มันอยู่ได้ยังไงในเมื่อเป็นเช่นนั้นนะในเมื่อมีความร้่าร้อนคือพระนัเกเสด็ท่านอุปม า, าให้ฟังว่าความร้อนในนรกนี่แม้จะเอาก้อนหินนั่งก้อนทิ้งลงไปเนี่ยจะแหลกลานเลยจะถูกเผาไหม้แหลกลานแล้วพระยาบิลินท่าก็สงสยัยเออแล้วมันอยู่ได้ยังไงไอ้สิ่งมีชีวิตน่ะท่านก็บอกว่าเพราะกรรมมันหล่อเลี้ยงไว้คือกรรมหล่อเลี้ยงไว้เราเราเรอหาเหตุผลอะไรไม่ได้เลย ตัวกรรมมันหล่อเลี้ยงว่าอย่างที่เคยอุปมาว่าไอ้นอนในในพริกนะฮะมันอยู่ได้กับมันยังไงร้อนจะตายเพราะกรรมกรรมโยนิกรรมะปฏิสระโนที่เราสวดนะกรรมโยนิมีกรรมเป็นกรรเนิดกรรมะปฏิสระโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมมันหล่อเลี้ยงฮะมันอยู่มันได้เมื่อวานซื้อเนี่ยมาไปที่จุงพรด้วยขับรถไปหาที่พูด หาไม่เจอก็พอดีไปเจอบ้านคนคนหนึ่งซึ่งมีประวัติที่ออกจากพิศดารนนะฮะกินเฉพาะเล่าอย่างเดียวนี่สิบกว่าปีเกือบยี่ปีออกมาก็เกิดสงสัยว่ากันจริงๆก็หมอก็คงมีนะีที่นี่ว่าเล่ามันมีวิตามินเลี้ยงคนได้หนะรือเปล่ามันกินอยู่ได้ยังไงกินเล่าอย่างเดียวนะฮะอยู่ตั้งสิบกว่าปีแล้วพอดีก็ขับรถไปผ่านบ้านา น, นะเขาชี้ให้ดูบอกบ้านเนี่ยเขากินเล่าอยู่ตั้งสิบกว่าปีก็พูดไปพูดมาถามชีว่าประวัติว่าทําไมยังต้องเป็นอย่างนั้น ปรากฏว่าคนนี้เป็นเจ้าของโรงเหล้านะคือขายเหล้ามาตั้งแต่ต้นเลยมอมเมาประชาชนเสียไม่รู้สักเท่าไหร่และในสุดวิบากกรรมนั้นก็ทําให้แกมันกินได้เฉพาะเหล้าเหล่านั้นกินอย่างอื่นไม่ได้แต่ว่าทําไมแกอยู่ได้นี่คือกรรมมะปฏิสนโนคือกรรมมันหล่อเลี้ยงไว้ฉนั้นอยู่ได้ฮะไม่มีปัญหาเราอย่าตั้งอย่าไปตั้งปัญหาถามมันทาไมก็อยู่ได้เขาอยู่ได้นะสมัครเขาแต่เราอยู่ไม่ได้ มันก็เหมือนกัเหมือนกันนอนในพริกนะฮะเราเอานอนในปลาในเนื้อไปใส่ไปใส่ในพริกด้วก็ตายเรียบเพราะอะไรเพราะมันโยนนี้มันอย่างหนึ่งคือกําเนิดมันอย่างหนึ่งกรรมมันจะหล่อเลี้ยงมันได้ในกรณีที่มันอยู่ในนั้นแต่ว่าเมื่อมันอยู่ในนี้มันกรรมไม่ปฏิสารโนมันคือไม่หล่อเลี้ยงมันมันก็อยู่ไม่ได้ในอย่างที่มาเคยเล่าโยมคนหนึ่งที่ว่าแกกินอุจจตพิษอุจุตพิษตามกับเกลืออยู่ตอนอามาพบแปดปีแล้วนะฮะ ก็อยู่ได้สบายดีนะก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะกินอาหารดีกว่านั้นแล้วอาเจียนออกหมดเลยอาเจียนออกหมดเลยกินไม่ได้ต้องกินได้เฉพาะอุจจาระตามกับเกลือแล้วก็ข้าวที่บนกากทานั้นข้าวขาวๆก็กินไม่ได้ฮะแม่ของแกกินอาหารอย่างดีเลยแต่แกกินไม่ได้ทําไมไม่กินนะมีเงินมาธุร ก, กิจสิบล้านมันกินไม่ได้มันเข้าไปไม่ได้มันไม่เข้าไปเพราะอะไรเพราะกรรมบันดาล อละ น, นี้เป็นเรื่องที่ที่พูดยากนะฮะเพราะงั้นไอ้หลุมฐานเพลิงที่มันเล่าร้อนเนี่ยที่ทรงอุปมาเป็นหลุมฐานเพลิงเป็นกรรมปฏิสนแกอยู่ข้งแกได้กันแล้วกันแหละเป็นเรื่องของกรรมที่หล่อเลี้ยงอย่าอย่าลืมกรรมโยนิกรรมปฏิสนกรรมที่เราสวดนะลองคิดดีนะฮะกรรมะสะกมหิหกรรมดายโ น, โนที่สวดบ่อกลองคิดตามไปดูตัวเนี้ยตัวการเนี่ยสาคัญมากอธิบายไม่ได้แต่มายอยู่ได้สัต ในทะเลบางอย่างมันกินเฉพาะปลาการังไงมันอยู่ได้เราขืนกินปลาการังก็เข้าโลงพอดีเลยกินไม่ได้ก็แล้วแต่นี่คือกรรมยนต์นิเป็นตัวหนึ่งแล้วกรรมปฏิสรโูเป็นตัวหนึ่งแล้วกรรมธาญาต ด, ด้วยแหละมันก็มันก็ต่อกันไปออแล้วก็ทรงอุ ป, ปมาพวกเปรตนะฮะพวกสัตว์นรกนะสัตว์นรกก็เหมือนกับ หลุมฐานเพลิงติระชานโยนิคือกำเนิดสัตว์ติระชานั้นก็เหมือนกับหลุมคูณนะฮะหลุมที่เต็มไปด้วยคูณคือของสุกกรปุกต่างๆอันนี้ก็อึดอัดขัดข้องหน่อยชีวิตที่ที่ ท, ที่ที่เรียกว่าติระชาโยนิติระชาโยนินั้นคือกําเนิดที่มันเจริญวางเจริญทางผางก็เป็นอัตภาพที่อึดอัดนะฮะเป็นอัตภาพที่อึดอัดขัดข้องไปด้วยประการทั้งปวง มันมันก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกับคนหอกอัตภาพของเปรตทงอุปมาเหมือนกับเปติวิทยะคือคือภูมิของเปรตอุปมาให้เห็นมันเหมือนกับหลายต้นไม้ที่เกิดบนพื้นดินที่ขรุขระอุปมาว่าเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดบนพื้นดินขรุขระแล้วก็มีคือมีต้นไม้แต่มันก็ไม่มีใบมีอะไรมีใบนิดๆ ห, หน่อยๆ เปรก็เหมือนกับคนเดินทางมาพักที่ต้นไม้นะฮะมาพักที่ต้นไม้บางก็มันก็แยค่คือว่าไปไปอยู่แล้วมันก็แทนที่จะได้พักร้อนมันไอ้ที่นั่งมันก็สาหัสสากันนะฮะที่นั่งมันก็กรุขระและจะร้อนได้ข้างบนก็ร้อนข้างล่างก็เจ็บปวดทุกทรมานคือแสดงถึงอุปมาเปรียบเทียบให้ดูนะอันนี้ไม่ใช่ตัวจริงนะฮะ เป็นอุปมาเปรียบเทียบให้ดูว่ารูปชีวิตนะมันจะมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ต่อไปก็เรื่องของมนุษยนะ์เรื่องของมนุษย์ก็ส่งชี้ให้เห็นนะธรรมดานี่แหละคือไม่ต้องอุปมาก็ได้แต่หมายความมาเป็นสภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันก็เหมือนกับคนที่อยู่บนบ้านบนท่าน้นำบนไรต์ อ, อะไรเนี่ยสภาพชีวิตมันก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับสุดยอดอะไรอุปมาสวรรค์เหมือนกับปราศาส ปราสาทที่ตกแต่งไว้ภายในดีแต่ว่าก็แปลกนะฮะเวลาทรงแสดงว่ามีประตูหน้าต่างปิดสนิทไอตอนนี้ถ้าจริงคิดอยู่นานเอ๊ะทำไมปิดมันน่าจะอึดอัดเคยปิดไป น, น่าจะอึดอัดก็ก็นึกออกว่าคงจะแสดงในฤดูร้อนนะฮะในฤดูร้อนเพราะอินเดียถ้าฤดูร้อนต้องปิดหน้าต่างมันปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างกลางคืนปิดหน้าต่างกลางวันเอาไว้ เนื่องจากบางเวลามีลมมันมาแล้วก็มันเอาฝุ่นมาด้วยเอาความร้อนมาเนี่ยบุบบุบบุเลยพอปิดมันก็อยู่สบายข้างในและอุปมาทีนีเ้เวลาแสดงไม่ใช่แสดงหมดทางกติคือแสดงไปถึงนู่นนะฮะคือปราศจากคติได้แก่นิพพานจนแสดงว่าเหมือนป่าเอาคื อ, อมนุษย์มันก็พูดถึงว่าป่าไม้นะฮะพูดถึงป่าไม้ธรรมดา เหมือนกับเมือนกับป่าไม้ธรรมดาพอแต่ว่าพอมาถึงอรหันนั้นก็พูดเหมือนป่าไม้ที่มีความร่มรื่นมีลมพัดโชยมาเย็นสบายมีสระโบกณีมีอะไรที่เป็นอุทยานรื่นรมก็เป็นการแสดงอุปมาของเรื่องชีวิตที่ทรงเห็นโดยคติเหล่านั้นแต่ทีนี้บรรดาคติเหล่านั้นแหละมันก็พูดได้เฉพาะสองคติเห่านั้นเองคือดิรชานกับมนุษย์ไอ้อย่างอื่นนั้นคนไม่เห็น ก็ไม่เห็นก็เลยกระช้อุปมาเปรียบเทียบให้ดูบางครั้งบางคราวก็ทรงอุปมาให้ดูในรูปของการสะดวกสบายนะฮะสะดวกสบายถ้าท่านอ่านไม่ต้องอ่านอะไรนะพุทธวัจนะสามของอยังนึนกออกพุทธวจนะสามนั้นเป็นการแปลพระสูตรคือมหาปรินิพพา น, นาสูตรมาตอนหนึ่งมหาปรินิพพา น, นาสูตรเป็นพระสูตรที่ออกจะแปลกกว่าเพื่อนนะบบรรดาพระสูตรทั้งหมดในพระไตรปิฎกเป็นพระสูตรที่แปลกกว่าเพื่อน คือ ม, มันมีลักษณะเหมือนกับบันทึกนะเหมือนก็บดอรี่บันทึกจะต้งปีกว่านะฮะบันทึกจะต้องปีกว่าเพราะงั้นพระสูตรแล้วมาแยกจากพระสูตรเนี่ยยังมีพระสูตรที่ออกไปจากมหาเปฏิพาณนสูตรอีกเยอะเลยมีลักษณะเป็นบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าออกจากภูเขาคิดจกูดเข้าเมืองไผ่สาลีแล้วไปเมืองปาวาไปถึงกุสินารานิมานต้องก่อนค่าบรรษานะฮะ ก่อนฆ่าปรญหาสเสด็จออกสภูเขาชิสกุดเนี่นก็มาฆ่าปัญษาที่เมืองไพรสลีออกปรญหาแล้วไปที่เมืองปาวาแล้วก็เวลาถ้าเห็นว่าออกปรรษานั้นกลางเดือนสิบเอ็ดนะวันแรมค่ำหนึ่งเดือนสิบเอ็ดที่พรเจ้าไปนิพพานตั้งแต่เดือนหกตอนนั้นก็อยู่ที่เมืองไพราลีอยู่นานแล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นมีเรื่องเยอะแยะประสูตรออกจากตรงนี้ยออกไปจากพระสูตรมหาเป็นนิพพานนสูตรอีกทีที่มีมากมายหลายกองก็ในพระสูตรนี้แหละ ตอนที่เสด็จไปในสวนมะม่วงของนางอามปะปาลีคณิกาครับก็พวกกษัตริย์ลิชวีที่แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศเลยหมกฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งถามภิกษุว่าพวกเธอเคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงไหมหรือผู้ดาวดึงซึ่งถือว่าเป็นชั้นสองในเทวโลก ก, ก็บอกว่าไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ดูให้ดูเนี่ย ให้ดูกษัตริย์จาวีที่ทรงเครื่องราชบูสิตาพร์อย่างสมบูรณ์มาเนี่ยมันก็คล้ายๆอ่ะคล้ายๆนะไม่ใช่เหมือนนะฮะไม่ใช่เหมือนทีเดียวแต่ว่าลักษณะคล้ายๆนี่ก็อาศัยอุปมาช่วยสมัตท่านที่ไม่มีที่ประจักษ์สุขแต่ว่าเวลาพูดกับอย่างพวกในเปตตาวัตถุวิมานวัตถุไม่ไม่ม่ีอุปมาเลยนะเพราะอะไรเพราะว่า คนที่เห็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ท่านประจักษ์โดยตัวของท่านเองอาจจ ะ, สะแสดงแก่กับกเปรตอาจจ ะ, สะแสดงแก่พระอราหันต์ส่วนมากจะเป็นพระโมกขลานะแล้วก็มีกองหนึ่งคือพระขวมปติมันนั้นก็เป็นพวกเทวดาเองหรือว่าพวกเปรตนั่นเองจึงไม่ต้องอุปมาอะไรในที่นี้จึงมีการอุปมาเปรียบเทียบให้เห็น ว่ากำเนิดนรกเหมือนกับหลุนฐานเพลงิงกำเนิดสัตว์ดิรัชานเหมือนหลุมคูดกำเนิดเบรดเหมือนป่าไม้ที่ครุขระขึ้นในที่ครุขระกำเนิดมนุษย์ก็เหมือนกับป่าไม้ที่ร่มรื่นประสมควรกำเนิดเทวดาก็เหมือนกับปราศาสตรการบรรลุอรหัตก็เหมือนกับอยู่ในอุทยานรื่นรมเต็มด้วยดอกไม้ผลไม้ใบไม้สระบกกรณีลมสายลมแสงแดดอะไรๆก็เรียกว่าสบาย ต้องอุปมาให้เห็นแต่อย่าคิดอย่าไปติดรูปแบบว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะเป็นการอุปมาให้เห็นเท่านั้นเองแล้วพอมาหลังจากนั้นก็สงชี้แจงให้ที่ประชุมมีพระสารีบุตรเป็นประธานนะก็ได้ทราบถึงเรื่องนี้ที่ออกจากพระโอษฐ์จริงๆออกจากพระโอษฐ์จริงๆก็คือเล่าการบำเพ็ญทุกรกรรมยาของพระองค์คือการแสวงหาทางจัดสรุของพระองค์ว่าเคยทาอะไรมาบ้าง ตลอดระยะเวลาที่เราเรียนเนาะที่จริงเราเรียนนิดเดียวนะฮะเราเรียนในพุทธวัตรเราเรียนนิดเดียวแต่นั่นเองก็มีสามวระกดประทนด้วยประทนเอาเพดานดันเอ า, เอ า, เ, อาเอาลิ้นดันเพดานนะฮะนี่วรรคที่หนึ่งวรรคที่สองก็ผ่อนกลั้นลมหายใจเข้าออกเอาไว้ไม่ให้ออกไม่ให้เข้าตามปกติจนเกิดเสียงดังอู้ออกจากช่องประการทั้งสองทําให้ปูดประเสียนเสียบรูทอนร้อนประกายเป็นกำลังวรรคที่สก็ผ่อน การเสวยพระกิจายานลงแต่วันละ น, ละน้อยละน้อยละน้อยจนไม่เสวยเลยทําให้พระอาทิปรากฏทั่วพระรอกายพระโรมาลนเอร่วงหล่น ล, ลงไปเวลาพระหัตถรูปพระโรมาในขนมันก็ร่วงหมดจะเสด็จไปไหนก็ส่วนล้มแลยในที่สุดก็สลบไป ท, ที่เราที่เราศึกษาเราก็ศึกษาอยู่สาอย่างเรารู้ว่าพระเจ้าบำเพ็ญทุกขกิจยาสามอย่างแล้วก็นํามาเผยแพร่สาอย่างแต่ที่รับสั่งเล่าเล่า เ, าเยอะเลยนะฮะปฏิเสธว่าไปทำเขาหมดเลย เขาศึกษาเขาปฏิบัติกันยังไงก็เอาเรื่องเหล่านั้นมาทดสอบทำทั้งหมดทีนี้ปัญหาที่น่าคิดก็คือว่าทําไมไปเล่าถึงตรงนั้นทําไมก็ต้นเรื่องม่าไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันแต่มันก็ต้องย้อนไปอีกทีหนึ่งคือย้อนไปอีกพระสูตรหนึ่งนะฮะย้อนไปอีกพระสูตรว่าในาพระสูตรหนึ่งเนี่ยท่านสุนัขตาลิจวีสมัยที่ยังไม่ศึกคือต้นต้นเหตุของพระสูตรเนี่ย สมัยที่ท่านยังไม่ศึกนั้นท่านไปบินทบาติคือโดยเสด็จพระพุทธเจ้าบินทบาติเขาเรียกปัตฉาสมณะตามเสด็จไปบินทบาตแล้วไปเห็นปริพาชกคนหนึ่งชื่อโกรกะปริพาชกโกรกะปริพาชกนี่บําเพญ็ญเขาเรียกว่าสุนักขวัตนะฮะสุนักขวัตก็คือเรียนแบบสุนัขทุกกรณีทุกกรณีอิทธิบททั้งปวงนั้นเรียนแบบสุนักทั้งหมดแล้วก็มีความชื่นชมมีความยินดี ในใ น, ใน ไ, อไอไอวัดเหล่านั้นนะะคือคือว่าหมายความจะกินก็แบบสุนัขจะนอนก็แบบสุนัขจะถ่ายก็แบบสุนัขอะไรก็แบบสุนัขหมดเลยอ่ะก็นึกว่าเรียนแบบสุนัขอะไรกันเรียกว่าสุนัขขวัดเรียนแบบสุนัขขวัดสุนัขขวัลิชวีมันอยู่โอ้โหบังเกิดประทับใจมาโอ้โหท่านปริภาชกคนนี้จังเคร่งครัดช่างทรมานช่างมีความบริสุทธิจ์จริงๆมีความสะอาดจริงๆก็ชื่นชมไม่มีใครจะทําได้ นะอย่างท่านโกรกะปริภาโชกแล้วพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าสุนัขตะลิฉวีไปชื่นชมคือแกคิดนะฮะแต่อย่าลืมพระพุทธเจ้ามีเจโตปริญญานะฮะเจโตปริญญานะคิดคิดด้วยความชื่นชมแต่ก็ไม่ถึงกับเปล่งออกเพราะว่าตัวเองก็ยังเป็นเพศวิกสุโฉกแล้วพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าสุนัขตะลิฉวีนั้นต้องการที่จะเห็นพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาร แสดงปฏิหารทาไมแสดงปฏิหารก็ก็ไม่อยู่นะฮะที่ว่าภายหลังก็สืบก็ไปเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้ทั้งสองอย่างเลยชายในตรงนั้นแล้ก็บอกว่าเนี่ยอีกเจดวันเนี่ยโกระกะบริพาชกเนี่ยจะตายแล้วจะตายยังไงก็รับสั่งเล่าไว้โดยละเอียดอ้ น, นี้ก็ไปรู้สึกจะแพ้ชนตายนะฮะก็สุนัขตาลิจวีพอรู้ก็ไปบอก ไปบอกโกระกะบริพาชกว่าพระพุทธเจ้าทำนายว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะฮะโกรกะบริพาชกเองก็ชักไม่เชื่อเหมือนกันแต่ผลสุดท้ายพอถึงวันที่เจ็ดนี้ตายเหมือนกันหมดเลยกับที่รับสั่งเล่ารับสั่งเล่าดังนั้นพระธรรมเทศนาในตอนนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าไอวัตตปฏิบัติในลักษณะที่เป็นทุกรกิริยา ที่สุนัขตะลิชวีเองชื่นชมชื่นชมจนถึงก็สึกออกไปนะฮะจนถึงก็ต้องสึกออกไปนั่นแต่ที่จริงแล้วพระองค์ก็ได้เคยทํามาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ทํามายิ่งกว่าบรรดาใครๆที่เขาทําในสมัยนั้นได้ทาไปก็รับสั่งเล่าถึงทุกรกรกรยาต่างๆโดยละเอียดนะโดยละเอียดเรียกว่าโอาเคพิสดาร น, นะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อยืนยันว่าไม่จะทางศัตรูนะฮะ ก็ยืนยันว่าไม่ใช่ทางศัสรูแต่ที่ต้องต้องล่าพิสดารนั้นก็เพื่อให้ให้ที่ประชุมในที่นั้นแหละได้รู้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเป็นเรื่องที่มีคนเห็นเพียงหคนนั้นเองนะคือท่านปัญจวัคคีย์กับพระพุทธเจ้าเองก็เป็นคนรู้ก็มีหกคนได่รู้ว่าพระพุทธเจ้าไปทําอะไรมาบ้างตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ต้องการจะแสดงให้ภาษา voke แต่ลอดจนกุตกุติษัทเราได้รู้วิธีเหล่านั้นไม่จะทางแห่งความบริสุทธิ์ทั้งหมดไม่จะทางแห่งความบริสุทธิ์เป็นแต่ประเภทที่ตึงเกินไปคืออัตกิรามัทานุโยกเช่นยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างว่าการประพฤติเรียกว่าสงับประพฤติสงัดคือหลีกเล่นกากคนสมัยนั้นเขาเขาเขาเรียกว่าคือ คือไม่ยอมพบหน้าคนนลยไม่ยอมพบหน้าคนเลยพระพุทธเจ้าเอาเอาหนักกว่านั้นคือไม่ใช่ไม่พบหน้าอย่างเดียวนะแม่ได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยินเสียงเลยไปอยู่ซึ่งเงียบอยูในป่าลิฟเลยไม่ได้ยินเสียงคนคือนี่เรียกว่าหลีดหลีกเร้นอย่างซึสงงบสุดยอดเลยคนสมัยนั้นก็เอาแต่ว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เห็นทั้งไม่เห็นทั้งไม่ได้ยินเลยทั้ไม่ได้เห็นทั้งไม่ได้ยินมนุษย์นี่ก็เรียกว่าเอายังอุกริษหมด คือทำเต็มที่หมดเลยทาไมจึงต้องไปทำเต็มที่อย่างนั้นเนื่องว่าตามความเป็นจริงก็ไม่มีใครรู้เลยทางตัดสรุคือทางไหนก็จะเป็นจะต้องทดลองจาเป็นจะต้องทดลองดูทุกวิธีแต่เนื่องจากว่าพรงเป็นคนฉลาดแล้วก็มีพระทัยเด็ดเดี่ยวทำอะไรจรึงทำได้เร็วทำได้เร็วแล้วก็ถึงจุดของ ทางปฏิบัตินั้นในเวลาที่รวดเร็วกว่าคนอื่นดังนั้นจึงปฏิเสธได้ไปเรืเร่อยๆในการอดอาหารหรือ ว, ว่าการการนอนบนหลุมถ่านเพลิงอะไรต่ออะไรที่พระเจ้าทํามาทั้งหมดเนะ่ยนอนบนหลุมถ่านเพลิงย่างตัวบนหลุมถ่านเพลิงนอนบนน้ำเอาขี้เท้าทาตัวตากแดดทาตัวด้วยโคมไมคือขี้วัวนะคือทํามาหมดเลยทํามาหมดแล้วก็นํามาเล่าหมดไอ้นํามาเล่าหมดในที่จริงก็ไม่ล่ากันหรอกไอ้ประวัตินะ ก็เรียกว่าประวัติคนตายเราจะเห็นว่าหยดย้อยงั้นนะใครก็ไม่ล่ากันยิ่งตอนดีๆเลยโอ้ยล่าโอ้ยสมัยฉันไม่เด็กฉันไม่สนอย่างนี้หรอกฉันเรียบร้อยจะตายนะหลอกเด็กกันหลอกลูกก็ลูกเพราะลูกมื่อเกิดไม่ทานมนมหลอกสบายจะตายแล้วพระเจ้าเอกมาเล่าเอามาเล่าแล้ว เ, เรื่องบางอย่างไม่น่านเล่าหรอกไปทําอะไรมาไม่รู้ไปเล่าหมดเลยปนแสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นถึงพระบริสุทธิ์ที่คุณ แสดงให้เห็นดังพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์ว่าพระองค์มีความจริงใจพระองค์ก็ผิดไหมยะทำผิดมาแย่แต่ก็เล่าหมดเลยที่ผิดๆทีผ่ผิดมันเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังเอาไว้ซึ่งตามปกติเราจะเห็นว่าคนที่มีกิเลสนะฮะจะไม่เล่าหรอกเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องความผิดความพลาดของตัวเองจะไม่เล่าทําเป็นลืมไปอย่างงั้นแหละ ท, ท, ทั้งๆที่ไม่ได้ลืมอะได้หรอกแต่ก็ไม่เล่าเพราะมันนั้นไม่ใช่เป็นความภาคภูมิอะไร แต่มายังเป็นจันั้นเพราะคนเราต้องการอวดพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้อวดไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้อวดมันแสดงอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นเหตุที่ควรเว้นเป็นทางที่ควรประพฤติก็สรงแสดงทรงแสดงและอีกแนวหนึ่งก็ทําให้เราเห็นหลักอย่างหนึ่งว่าสมัยพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลเองแล้แม้แต่ทุกวันเนี่ยอินเดียก็คืออินเดียคือทุกกรกริยาที่เขาว่าไว้ทั้งหมดที่รับสั่งเล่าทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าเคยทำ ปัจจุบันที่อินเดียยังมีไม่ขาดไม่เกินเลยมีเท่านั้นเนี่ยมีตอนนั้นแต่บางครั้งมันก็เป็นการแสดงปาฮีมายังเคยไปยืนดูที่ตโปธารามไอ้ไอ้พวกนิครนนะฮะนิครนมันมันมีลูกน้องสองคนมันเอาเชือกมาผูกหัวอาจารย์เนี่ยผูกแล้วก็ขันชนะแล้วดึงเนี่ยดึงดึงก็คล้ายๆกับมวยปล้ำเล่นนะะก็ดึงคล้ายๆจะดึงจริงอ่ะออจะดึงจะนอนดแดงคล้ายๆก็บโ ก, กงเจตัวเนี่ยอันนี้ก็ ก็เจ็บพอสมควรแต่ว่าก็คงจะไม่ใช้เต็มแรงหรอกถ้าเต็มแรงกระหัวก็แตกเพราะเชื่อกันใหญ่ดึงกันจนหน้าแดงกระตาได้เกือบถลนทีเดียวเสร็จแล้วก็หยุดแล้วก็เอาขันวางไว้นะเก็บเงินมันก็นแสดงเก็บเงินไปนะทุกคนเป็นธุรกิจฮะว่าในบิญญนยาณนักธุรกิจจึงเข้าไปอยู่ในส่วนต่างๆเยอะได้เกินเมื่อวานสามสี่วันมาเนี้ยไปอบรมพวกระดับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมาสี่วันติดกันเนี่ย พูดเรื่องวิญญาณคนเดียวสองวิญญาณนะครับคนเดียวสองวิญญาณว่าเป็นอะไรเป็นพระก็มีวิญญาณนักธุรกิจอยู่เป็นครูก็มีวิญญาณนักธุรกิจเป็นทหารก็มีวิญญาณนักธุรกิจคนเดียวสองวิญญาณมันจึงเกิดเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะงั้นการบาเพ็ญตบะที่มุ่งขัดเกลากของนักบวชในสมัยก่อนสมัยก่อนนั้นท่านมุ่งขัดเกลาจริงแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าทางถูกกับทางผิดก็ทางปลายของท่านอุตรุดไปแต่สมัยนี้มันกลายเป็นธุรกิจ แม้แต่พวกฤษีที่ขวางตัวลงไปตามทางไปฤษีเกตนะฮะขวางตัวลงไปไปอยู่ตั้งสามสิบนาทีอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าข้างหลุมที่ขวางตัวมันก็มีขัน <c oughs> มีขันกอเก็บสตางค์คนมาแสดงมันก็เหมือนกับการแสดงทั้งหลายไม่ได้มุ่งขัดเกล่วนี่คือความเปลี่ยนแปลงไหมในพวกนั้นเองก็เปลี่ยนแปลงคือเป็นการกระทําเพื่อผลประโยชน์มันมีวิญญาณนักธุรกิจสูงมาก ภายในจิตสำนึกของท่านเหล่านั้นแต่ว่าไอกิจกรรมรูปแบบต่างๆที่ท่านเคยทำและที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่านะฮะแล้วก็มีอยู่สมบูรณ์ในอินเดียไม่ไม่ได้ขาดเกินไปไหนเลยแสดงว่าจนอินเดียนี่ตื่นยากนะฮะจนมีจนมีปัญหาที่เขาถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจะต้องเกิดที่ชมพูทวีปบอกว่าบอกว่าคนอินเดียเนี่ยมันตื่นช้าแล้วมันตื่นแล้วมันขีหลับอีก เลยก็ต้องเกิดที่นั่นอันนี้ก็พูดเล่นๆกันนะฮะคือเป็นเรื่องที่แปลกว่าทาั้งๆที่าศาสนาอะไรต่ๆเยอะเกิดเนี่ยมันก็เอาไม่ได้ละแก้ไม่ได้มันยังหมกมุ่นอยู่ในพวกอัตกิลาปานุโยกเหล่านั้นแม้ในปัจจุบันเนี่ยไอ้ส่วนรายละเอียดนั้นก็จะสรุปให้ฟังในอีกวันหลังง้นประชุดนี้คงจะใช้เวลาสามชั่วโมงวันนี้ก็ขอจุติไว้แต่เพียงเท่านี้ที่สุดนี้ก็ขออนโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน じゃなくて。